ออกพรรษาวันก่อนออกพรรษาวันที่สี่เมื่อวานวันที่ห้าวันนี้วันที่หกออกพรรษาสองวันวันนี้จะมีพระไปเยี่ยมบ้านมาวันที่สององค์แม่นิมนต์ไปพระนวกกะญากระยายอยากจะเห็นหลานเหมือนกนแม่ก็เลยมาขอนิมนต์หลวงพ่อก็เลยให้พระผิดเลี้ยงตามไปด้วยสององค์ คงจะกลับวันพุ่งนี้มาลื้เนี่ยวันสองวันกลับกระถินของเรากับวันที่11ตรงกับวันอาทิตย์ของหลวงตาวันที่10บตุลาห้าสองของพวกเราวันที่สิบอตุลาห้าสองหลวงตาวันเสาร์พวกเราวันอาทิตย์พวกคณะลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตาโดยมากจะเอาติดกับหลวงตา หลวงตาโดยมากท่านจะเอาวันเสาร์เพื่อวันอาทิตย์คนที่ขึ้นมากราบลงมาทอดกรถินที่วัดของท่านก็จะเด้ไหลทะลักไปตามวัดต่างๆอย่างวัดของเราศรัทธาญาติโยมเขาก็ขอร้องบอกว่าขึ้นมาทําบุญกับหลวงตาเสร็จแล้วก็อยากจะไปตามวัดต่างๆก็ขอให้วัดลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตาเอาต่อจากหลวงตาเลย พนั้นพวกเราก็เลยเอาจะทํายังไงมันจึงจะเสร็จว่า ง, งั้นเถอะให้มันผ่านผ่านไปปีหนึ่ง้าว่าวัดแต่ละวัดไม่มีกระถินมาทอดจัดทายาญาติโยมผู้อยู่ใกล้ชิดอุปธรรมปฐากวัดก็เหมือนกับวัดเราไม่มีกระถินไม่มีกิจกรรมอะไรเลยเนี่ยมันดูกระไรอยู่แ ต, แต่ตาไม่จริงก็ทอดก็ได้ไม่ทอดก็ได้ในวัดกรรมฐานเราก็อยู่แบบสมถะอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหาว่าไม่ทอด มันก็อยู่ในโลกสมมติเขาจะเพ่งมองอย่างไรอันนี้ก็มันก็ได้ทำให้ถูกต้องตามโลกสมมติเขาจําเป็นไหมถ้ามีมาก็จําเป็นถ้าไม่มีไม่จําเป็นขนาดนั้นเลอถ้าไม่มีไม่ได้เลอไม่ไม่มีก็ได้สำหรับกรรมฐานนะโผนั้นอย่างวัดเราเนี่ยก็หลวงพ่อก็ไม่ให้ถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะวัดของเรา ถึงจะอยู่ยังไงก็ยังอยู่ในป่าโรงพงภัยไม่มีแจกทรงแจกซองไม่วัดของเราไม่เคยแจกเว้นเสียแต่ว่าเขาเป็นหน่วยงานของเขาหน่วยงานของเขาจะมาทอดกรถิ่นที่วัดเราแล้วหน่วยงานของเขาขอแจกซองในหน่วยงานของเขาหลวงพ่อจะขัดข้องไหมอันนั้นหลวงพ่อไม่ขัดข้อง เพราะเหตุไรเพราะมันเป็นหน่วยงานของเขาเขาจะแจกในกลุ่มของเขาแต่จะมาให้หลวงพ่อแจกสองกรถินที่วัดแล้วแจกให้คนนั่นคนนี้คณะลูกศิษย์ลูกหาน่ยหลวงพ่อจะไม่แจกพอเหตุไรเพราะรู้อยู่แล้วใครจะทําบุญเท่าไหร่ใครจะมีศรัทธาเท่าไหร่ในปีหนึ่งๆในครอบครัวของเราเราจะทําบุญเท่าไหร่ในทั้งครอบครัวก็ได้คิดกันไว้แล้วที่จะทําบุญปีหนึ่ง กระถินในวัดครูบาอาจารย์แต่ละวัดนะอันนี้ก็คืออยู่ในใจของพวกาาศรัทธาญาติโยมอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องแจกซองถ้าแจกซองก็เหมือนกับเป็นการขอในลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อก็อเลยบอกว่าไม่ต้องแจกนะาาศรัทธาญาติโยมทำบุญเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละในวัดของเราโดยมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้นทุกปีที่ผ่านมา ถ้าไม่มีความจำเป็นจริงคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเอกอย่งนั้น แ, แต่เนี่ยเราก็ไม่กล้าพูดที่ว่าเป็นเรื่องของอนาคตอนาคตมันอาจจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อจะพยายามให้ทำลักษณะอย่างนั้นพอเราเป็นกรรมฐานเป็นพระป่าอยู่แบบสมถะอยู่แบบสันโดษตามมีตามเกิดในหลักของพุทธศาสนาท่านยังสอนให้ เป็นผู้อภิชาตาเป็นผู้มักน้อยอีกต่างหากแต่วัดของเราเนี่ยวันทุตถีให้เขาว่าตามมีตามเกิดมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้น้อยถ้าไม่มีไม่ ม, ม, มีก็ไม่ต้องใชง้อนี่แหละอันนี้ก็คือสันทุตถีอภิชาติเนี่ยแปลว่าถึงจะมีมากก็ไม่ยินดีที่จะต้องใช้มาก อันนี้ว่าพระที่บวชมาในพุทธศาสนาอันนั้นเป็นผู้มีวิญัยกับตนอย่างพวกอาหารก็เสมือนกันถึงจะมีอาหารมากก็มีวินัยกับตนว่าข้าพรเจ้าจะไม่ฉันมากอันนี้แปลว่าเป็นอภิชาตาเป็นผู้มักน้อยสันตุถีกรตาเออมันมีอย่างไรเราก็ทานอย่างนั้นเราก็ฉันอย่างที่มันมีมันเกิดอันนี้ประวัติสันตุถีตามมีตามเกิดแต่อภิชาตาถึงจะมีมากก็ไม่เอามากเอาเพียงแค่นี้แหละ เพื่อจะได้พอยังชีวิตให้เป็นไปแต่ละวันไม่โรคโลเลในอาหารอันนี้มันก็วินัยสำหรับตนเองเหมือนกันจะให้รรครู บ, บาอาจารย์บังคับบัก็ไม่ได้ครูบาอาจารย์บังคับก็เหมือนกับว่าให้ชันเท่านี้ให้ทำอย่างนี้ไอ้ผู้ที่เป็นผู้มักน้อยสันโดดจอยแล้วก็พอใจแต่ถ้าว่าผู้โรคโลเลอยู่แล้วกันนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่ขวางกันอีกเหมือนกัน เหมือนกับพระในครั้งพุทธการที่โจทฟ้องกันปฐมสังฆาทิเศษกับเรื่องเนี้ยเรื่องอาหารเรื่องแจกอาหารพอแจกเอกไปแล้วก็ไม่ถูกใจกับผู้ถูกแจกเพรงั้นแต่แต่ผู้แจกมันก็นกนแจกแจกแจกไปบางครั้งกระหมดที่ไหนก็ลงที่นั่นจุดจบที่นั่นแต่ผู้ได้รับแจกนั่นบอกว่าอาหารตัวเอง เ, เหมือนกับกานแกล้งไม่ให้อาหารสําหรับตนเอง จากนั้นกระโจดฟ้องพระผู้แจกอาหารนี่แหละเพราะฉนั้นการที่จะบอกว่าควรจะฉันอาหารอย่างนั้นควรจะฉันอาหารอย่างนี้มันก็บอกได้แต่การแนะนําแต่ว่าผู้ที่จะปฏิบัตินั้นก็เป็นพวกเราท่านทั้งหลายที่จะปฏิบัติพวกพระทั้งหลายที่จะปฏิบัติแต่ถึงยังไงก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับตัวเองทั้งหมดนั้นแหะจะดีหรือจะชั่วจะทําขนาดไหน ออยู่กับตัวเองเหมือนกับรถนั่นรถคันนั้นมันมีเบรกดีไหมมีคันเร่งไหมมีศักยภาพที่มันจะวิ่งได้เท่าไหร่สองพันหรือสามพันแรงกี่สศกถ้าว่ารถของเราดีอมันก็วิ่งได้ไกลแล้วก็พร้อมกันกับความปลอดภัยก็มีอยู่ในนั้นด้วยนี้ก็เหมือนกันะ ทางรถกระจอกกระจอกแล้วรถอิแต็นแล้วมันจะวิ่งไปไหนได้จิตใจมันเหลอะแหละลวนเลอยู่แล้วจะพักยังไงมันก็ไม่ไปหน้ามิจะจะถอยหลังมิจะจะลงคลองถ้าจิตใจเป็นอย่างนั้นแล้วจะทํำยังไงมันอยู่กับใครถึงจะเกาะช้ยสบงจีวรของพระพุทธเจ้าอยู่ก็เท่านั้นอไม่ใช่เยากาะอยู่ในวัดของหลวงพ่ออินอะไรแบบนั้นแตอทางวัดใครก็ตามมาอยู่วัดหลวงพ่ออินดีหมดเนี่ย ลิงข้างบางชนีดก็ะโลกกระแตปวกมดอยู่ในวัดหลวงพ่อนี่ยคงจะดีทั้งหมดอันนี้หลวงพ่อไม่ได้คิดอย่างนั้นนะมันอยู่กับใจของพวกท่านทั้งหลายทุกๆคนเผยเๆปวกมดอยู่ในวัดหลวงพ่อจะมากัดหนังสือตำรับตำราของหลวงพ่ออีกนั่นะเพราะเหตุใเพราะว่ามันไม่ได้สนใจเนี่ยมันมาเพียงแต่มาอยู่เฉยๆเผยเผยจะมาทำลายอีกต่างหาก อย่างนั้นก็มีอันนี้ก็คือเปรียบเทียบให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังทั้งพระทั้งศรัทธาญาติโยมทุกๆ ท, ท, ท่านที่มาอยู่วัดวาศาสนาและไม่ใช่จะดีทีเดียวถ้าว่าพวกท่านไม่ขัดเกล่์ไม่ปฏิบัติไม่ขัดไม่เกลวไม่ฝึกหัดดัดนิสัยของตนเองถึงจะไปอยู่ในขอบฟ้าจั ก, กรวาลไหนก็เถอะมันก็เป็นอย่างเก่าเพราะเหตุไรเพราะมันอยู่กับตัวเองนะ สรุปแล้วเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายให้ดูตัวเองอย่าไปเป็นฆราวาสญาติโยมก็ให้ดูตัวเองให้มีวินัยกับตนเองให้เป็นผู้มีศีลให้เป็นผู้มีจรณะความประพฤติพร้อมออกไปเป็นฆราวาสก็ให้ดูที่หลวงพ่อได้บอกไปแล้วอย่าไปออกนอกตูนอกทางนะอบา ย, ยมุกนะเหตุเครื่องกิบหาย ที่พระพุทธเจ้าบอกไว้หลวงพ่อก็เอามาแนะนำอบายมุขเหตุเกิดเหตุเครื่องจิบหายหกอย่างเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพนันรบคนชั่วเป็นมิตรเกลียดค้านทาการงานเที่ยวกลางคืนก็คงจะเป็นประเภทเที่ยวผู้หญิงเที่ยวผู้ชายลักษณะอย่างนั้นอ่ะเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่น เล่นอะไรเล่นการพนันเล่นละครเล่นชัดเจ น, นเลยท่นเนีเล่นงูเล่นมา้าอันนี้ก็เป็นหนทางแห่งความจีบหายแล้วก็คบคนชั่วเป็นมิตรคบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะปลาประมิตรเนี่ยบางทีเขาชักเงินขาดใ น, นกระเป๋าเขาก็ชวนไปขายยาบ่งยามา้าคัญชายาฟินไปรักไปขโมยอย่างนี้มันเป็นไปได้ทั้งหมดเพราะคบคนชั่วคนชั่วพาไปพากินหรัออ ก, ก่อุศกรที่แรก พอยอมใจเซเลนจูงไปที่ไหนก็ไปได้หมดนี่แหละนี่เราอาบายมกสิ่งเหล่านี้พวกเราที่จะไปสู่ครวญให้ตระหนักให้คิดไว้ให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใดก็าตามที่มาบวชที่วัดหลวงพ่อเนี่ยต้องคิดให้ดีหลวงพ่อเน้นหนักเรื่องสุราสุราคำนี้น่ะขอให้พวกท่านทั้งหลายคิดไว้ถ้าว่าพวกท่านอยากจะเป็นคนดีต่อไปภายภาคหน้าเนี่ย เรื่องสุราให้พวกท่านทั้งหลายถือว่าเป็นพิษเป็นภัยอย่างร้ายแรงเป็นคู่อริคู่ศัตรูกันเลยกับคุณงามความดีเพราะนั้นถ้าผู้ใดก็ตามมาบวชที่วัดหลวงพ่อกลาสึกออกไปเนี่ยอย่างที่จะสึกออกไปไม่กี่วันข้างห น, น้าหลวงพ่อพูดออกไปแล้วก็คือไม่บอกบินทบาทนะันลูกหลานนะทิศ ท, ทั้งหลายนะพูดจะสึกออกไปเป็นคารวะนะให้สำรวมให้ระวังเรื่องสุรา ทำไมหลวงพ่อจึงเน้นเรื่องสุราตัวอื่นนะตัวอื่นก็หนักเหมือนกันแต่ตัวสุราเนี่ยพ่อดื่มสุราเข้าไปแล้วมันขาดสติพ่อขาดสติแล้วมันทำความชั่วเสียหายในทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าใครก็ได้เพราะมันขาดสติจะขโมยใครก็ได้เท่านี้เพราะมันขาดสติจะติมันไม่สมบูรณ์ล่าลาบระล่วงลูกหลานของใครก็ได้เพราะเหตุอะไรเพราะมันขาดสติ โกหกตอแหลต้มตุนไครก็ได้เพราะมันขาดชติเนี่ยเรื่องขาดชติตัวนี้มันเป็นอันตรายอย่างมากเพราะฉะนั้นเรื่องศีลห้าข้อเนี่ยข้อที่ห้าเนี่ยถ้าหมดดื่มผมดื่มนิดหน่อยเนี่ยเป็นไงหลวงพ่อเอีใครจะตั้งมาตรฐานให้แกเราละ่ะเราเป็นผู้ตั้งมาตรฐานเองเนี่พอถลําเข้าไปแล้วมันมันน้อยไม่เป็นล่ะช่านเนียเพราะหมู่กลุ่มของเรามันนั่นอยู่แล้วอผลี่สุดก็นั้นแหละ เมาไม้เข้ามาแล้วก็ขาดสติเงินในกระป๋องกระเป๋าก็ใจใหญ่ขึ้นมาเลยท่านผลที่สุดพอมันเมาในครั้งนี้ครั้งต่อไปเกิดติดนิดสัยพอติดนิดสัยเข้าไปก็เป็นนักเลงเกเรเข้าคบหมู่กับเพื่อนผลที่สุดก็ไม่มีกฎมีเกณฑ์กับตนเองเลยเสียหายได้ง่ายๆเพราะนั้นตัวนี้เป็นกุญแจดอกสําคัญที่จะไขเข้าไปสู่ความชั่วนะเทากุญแจดอกนี้เป็นกุญแจดอกสําคัญที่จะไข เปิดเข้าไปหาความชั่วนะแต่สติสัมปชัญญนะเนี่ยในหลักของพุทธศาสนาสติสัมปชัญญนะอันนี้เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดเข้าหาคุณงามความดีนะให้พวกเราฟังเอาไว้นะสุราเนี่ยเรื่องศีลเนี่ยเรื่องศีลห้าเนี่ยตัวสุดท้ายนี่แหละตัวที่จะเปิดไปหาความชั่วเสียหายหเกิดขึ้นได้ง่ายๆถ้าตัวนี้ถลำเข้าไปแล้วเนะพราะถ้าในพวกลูกหลาน ผู้ที่จะออกไปสู่ครวาตคิดให้ดีในจุดนี้แล้วก็พร้อมกันก็ให้อยู่ในครวัตธรรมธรรมของครวาดที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ธรรมของครวาดนั้นคืออะไรสัจจะคนเราถ้าขาดสัจจะถ้าไร้สัจจะควรหล่อแหละจะหาพักหาพวกหาผู้ที่จะทำมาค้าขายด้วยไม่ได้เพราะคนขาดสัจจะพอไปพูดกับเขาคำหนึ่งแล้วพอหันหลังให้ก็พูดอีกคำหนึ่ง คี่ว่ารับปากเขาแล้วว่าจะช่วยหรือจะทำหรือจะรับจะใช้หนี้เขาแล้วพอเสร็จแล้วนะกับคำหลังไปให้คนอื่นหรือไม่ให้เขาเลยต่อไปคนที่ไม่มีสัจจะจะไม่มีคู่ค้าจะไม่มีใครไว้วางใจเพราะคนขาดสัจจะสัจจะคำนี้น่คนโบราณเขาว่าสัจจะลูกผู้ชายลักษณะอย่างนั้นเขาว่าจริงจังด้วยว่านะคือสัจจะคือความจริงจังและจริงใจง ถ้าพูดคําไหนก็ต้องพูดถ้าปฏิเสธก็ต้องปฏิเสธเลยต่อหน้าเลยทำไม่ได้หรือถ้าว่าเราไม่มั่นใจเราก็พูดแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าไม่แน่ไม่แน่นอนจุดนี้ยังรับไม่ได้อาจจะเราก็ต้องพูดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราจะรับทุกอย่างและต่อไปก็ทาไม่ได้อันนั้นแปลว่าคนขาดสัจจะขาดสัจจะคือขาดความจริงจังและจริงใจ อันนี้ก็คือข้อหนึ่งสำหรับธรรมของครวาตธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนคาว่าข่มจิตคำนี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ใช่เรายังมีโทสะอยู่บางทีใครก็ตามสิ่งที่ไม่ควรจะทำบางที่พ่อแม่ดุดาว่าก่าวเราก็โมโหโทโสโกโทาขึ้นมาอย่างนี้แต่เราต้องมีธรรมะให้ข่มเอาไว้ใจยศ ท่านเป็นผู้มีพระคุณนะท่านบอกกล่าวยังไงเราต้องฟังอย่าพูดถ้าอดไม่ได้จริงต้องเดินหนีซะกอ่อนจะไปโมโหโกธาตอบแทนท่านท่านอย่างนั้นพอเข้ามาล้วก็ยกมือไหว้ท่านขออาภายัยขอโทษแล้วก็ชี้แนะชี้นำให้แก่ท่านแล้วก็สิ่งที่ท่านบอกมันมีเหตุผลไหมพวกเรามีแต่ปริญญาตรีโทเอกทั้งนั้นจะไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วเหรอ คำพูดคำไหนที่เป็นสาระเป็นประโยชน์จิงไหนที่มีคุณค่ากว่าการที่ท่านสอนออกมาเราก็แยกแยะให้ออกให้รู้จักข่มจิตของตอนเองอันนี้คือธรรมะให้รู้จักข่มจิตแล ะ, ะขัดตีอีกมีความอดทนความอดทนคำนี้มันมีมากลากหลายเวลาทำการทำงานหิวกระหายออหรือว่าลูกน้องเท่าแกหรือใครก็ตามพูดกระทบกระแทกกระทั่งเรา เราก็ต้องมีขันติขันติคำนี้ทนต่อความร้อนความหนาวความหิวความกระหายต่อหน้าที่การงานหนักหนาทนต่อการเสียดสีทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบจิตใจใจของเราจะทนไม่ไหวเรื่องใจของเราไม่สู้เราต้องอดทนขันติคำนี้ถ้าคนมีขันติแล้วจะมองดูแลสวยงามจะไม่บูวามจะไม่ออกนอกลูก่นอกทางจนเกินไปถึงจะออกนอกลูก่นอกทางก็ยังมีขันติ คือความรังเอาไว้อยู่อันนี้ขันติสัจธรรมะขันติจาคะเนี่ยคือการเสียสละคนเราต้องมีการเสียสละมีการให้อภัยอภัยทานแล้วก็การให้อภัยหรือว่าการเสียสละให้พ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณสำหรับเราเราควรจะให้อภัยทานเพื่อให้ทานกับท่านสงเคราะห์ท่าน กับพ่อแม่เท่าแก่ชราเราพอที่จะช่วยเหลือสิ่งไหนได้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนที่เป็นบุตรธิดาที่จะต้องดูแลพ่อแม่ของตนเองเพราะท่านได้เลี้ยงดูเรามาแต่อ่อนแต่ออก เ, อเมื่อท่านเท่าแก่แล้วเป็นหน้าที่ของลูกจะต้องตอบแทนพระคุณท่าน อ, อันนี้ว่าจาค ะ, ะจากนั้นก็เสียสละให้แก่มวลชนมวลมนุษย์ชาติที่อยู่ด้วยกันเราไม่เดือดร้อน เ, อเราได้ สิ่งของทรัพย์สมบัติมาจากพี่น้องประชาชนที่มาสนับสนุนหรือว่าทำมาค้าขายเราเป็นผู้มีสติปัญญามากกว่าเขาเราก็ช่วยช่วยเหลือชุมชนสังคมตามอัตภาพเท่าที่เราจะช่วยได้อันนี้นวัดจ่าขาเนี่นี่แหละถ้าว่าพวกเราทําถูกต้องทั้ง4อย่างอันนี้ก็คือความสุขการเป็นฆราวาสที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้ทำสีอย่างสัต์จะให้มีความจริงจังและจริงใจ ต่อเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทํามาค้าขายชัดเ จ, จธรรมะให้รู้จักขม่มจิตใจของตนเองแล้วก็ขันติให้มีความอดทนและก็จาระให้มีการเสียสละอันนี้แหะคือธรรมของฆราวาสที่พระพุทธเจ้าแหละฆราวาสธรรมธรรมของคราวาสสี่อย่างฆราวาสก็คือผู้ที่ออกไปทําการทํางานเป็นพุทธบริษัท อุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาควรจะมีทรสม4อย่างในคุ้มครองในจิตใจเพราะฉะนั้นขอให้พวกผู้ที่จะออกไปเป็นฆราวาสให้นำธรรมของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัตินะหลวงพ่อว่ามีแต่ความผาสุขเจริญรุ่งเรืองในการเป็นอยู่ตลอดลอดฟังจะไม่กระโดกกระเดกาะ ง, งั้นจะราบเรียบไปเรื่อยๆื่อ ย, อยทรัพย์สมบัติที่เข้ามาหาเรามีแต่ความร่มเย็น เก็บหอมลอมริบไว้แล้วก็ทํามาค้าขายก็จ ะ, จะเจริญแล้วก็การเก็บเก็บเพราะอะไรก็ต้องมีเหตุผลในการเก็บการจะใช้ใช้เพราะอะไรก็มีเหตุผลในการใช้การใช้เงินไม่ใช่ว่าโมโหให้แก่ใครจ้างคนนั้นไปฆ่าคนนี้จ้างคนนี้ไปฆ่าคนนั้น <S <S ไปซื้อเล่าชื้อยามาสู่กันกินอย่างนั้นไม่ได้เลยแอไปว่าใช้เงินผิดออกนอกลูกนอกทางเพลิดเพลิเงินที่ ได้มาโดยความยากลําบากนั้นยังมาสังหารตัวเองอีกต่างหากยังมาทําให้ตัวเองติดคุกติดตารางอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะใช้เงินไม่เป็นเพราะฉะนั้นการใช้ก็ต้องคิดให้ดีว่าใช้ไปนี้มีเกิดประโยชน์อะไรให้โทษอย่างไรอย่างเนี้ถ้าจะว่าไปแล้วกัเงินครับสมบัติมันเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะถ้าใช้ไม่เป็นมากับสังหารตัวเองได้ง่ายถ้าใช้เป็นก็มีประโยชน์อย่างมากมหาศาลสิ่งเหล่านี้เราเป็นเจ้าของทั้งนั้นแหละ มันอยู่กับตัวเองอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับเราทั้งหมดเราจะดีหรือเราจะเลวเราจะเป็นพระที่ดีหรือจะเป็นพระเลวเราจะเป็นครวาสที่ดีหรือจะเป็นฆราวาดเลวมันอยู่กับตัวเองทั้งหมดเพราะนั้นพวกเราได้เข้ามาศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ใช้ตติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพ่อย้าว่าสาหรับทำแล้ว ต้องสติสัมปชัญญะอันนี้คือกุญแจดอกสําคัญที่จะเปิดเข้าหาสู่ศีลสมาธิปัญญาถึงฟิมุติหลุดพ้นได้ก็คือสติสัมปชัญญะถ้าจะเปิดไปหาความชั่วแล้วก็คือสุราเมระยะัชะเนี่ยเดื่มขโจลาเข้าไปเลยเนี่ยมันจะเปิดกุญแจเข้าไปหาความชั่วเสียหายมากมายเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพุทธบริษัทสีของพระพุทธเจ้าให้พวกเรา หนักไว้ในจิตในใจแต่ก็พร้อมกันก็ชีวิตของพวกเราให้คิดไวอยู่เสมอที่หลวงพ่อแจกว่าต่อต่อๆเนี่ยให้คิดไว้เสมอว่าชีวิตของเรามีจุด จ, จบวันหนึ่งข้างหน้าแต่ตายแล้วไม่ศูนย์เนี่ยหลวงพ่อเกือบพูดเกือบทุกๆวันเพราะเหตุใดเพราะว่าทวกคนตายแล้วศูนย์เขาจะไม่ทําความดีอะไรเลยเพราะมันตายแล้วศูนจะทำทำไมแต่ถ้าตายแล้วเกิดเนี่ยอเราต้องเตรียมตัวไว้ เหมือนกับวันพุ่งนี้มีอย่างเนี้ยแต่ถ้าวันพุ่งนี้ไม่มีเราจะไปเก็บเงินไว้ทําไมเก็บให้โง่าทาไมเก็บไว้ให้คนอื่นกินอแล้วก็กินหมดถึงวันนี้ให้มันจบไปแต่วันพุ่งนี้มีล่ะทํามันไม่หมดเรากินหมดวันนี้แล้ววันพุ่งนี้ไม่มีแล้วทำไงหาใหม่มันก็หาไม่ทันเลยมันก็หิวนะ่ะนะอันนี้ก็เหมือนกันะถ้าว่าชาติน่ามีพวกเราก็ได้บุญกุศลในชาตินี้เกื้อกูลหนุนไปสู่ปารโลกภายภาคหน้ามีแต่ความสุขความ เจริญเลแต่ทางว่าเราไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้มีพบมีชาติข้างหน้าก็นั่นแหะมีแต่ความทุกข์ยากลําบากเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะให้คิดไว้ให้ดีแล้วก็ให้เตรียมตัวเอาไว้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดจับที่สุดจะงไงแล้วว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญหลวงพ่อก็เคยพูดย้ําแล้วอีกไม่รู้ ก, กี่ครั้งเหมือนกันทําจิตใจให้สงบนะพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาพระพุทธเจ้าทําใจให้สงบ ทำใจให้เน่งทำใจให้เป็นสมาธิเมื่อจิตใจสงบแล้วนั่นแหละจะรู้ได้ไงกายกับใจอาศัยกันอยู่กายในตายแต่จิตใจนั้นไม่ตายรู้ได้โดยตนเองไม่ต้องหาที่อื่นนี่เพราะฉนั้นพวกเราอยากจะพิสูจน์ก็พิสูจน์ได้นะเอออันนี้คือหลักพิสูจน์อ่ะถ้าพิสูจน์มากกว่านั้นก็จะเห็นสิ่งที่ลึกลับอยู่ในจิตในใจของเรามากมายมหาศาลทีเดียวทีนี่นี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ วันนี้ก็เป็นแนวความคิดอีกอย่างหนึ่งทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายผู้ที่จะออกไปเป็นคราวาสเพราะไม่กี่วันข้างหน้าก็คงจะออกไปเป็นคราวาสแล้วหลายคนทีเดียวเพราะว่าหน้าที่การงานก็เป็นที่รู้กันว่าพวกกระผมบวชมา3เดือนนี่หลวงพ่อบวชมาคราวนี้ก็จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมออกไปะจะได้เป็นคราวาเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ได้ลูกชายมาก็เห็นลูกชายมาโอ้ให้ได้บวชในพุทธศาสานาเน้อลูกเน้อหลานเน้อเนี่พวกเราก็ได้บวชได้กุธิส่วนกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายวงศาคณา ญ, ญาติญาติมิตรสหายตระกูลของเราแล้วอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลที่พวกท่านทั้งหลายได้มาบวชที่วัดหลวงพ่อทุกๆองค์ที่มาบวชในปีนี้หลวงพ่อไม่หนักใจเพราะงั้นทักเบาใจกับทุกคนเห็นว่าลูกหลานเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจ เต็มสติกําลังความสามารถทุกๆองค์ที่หลวงพ่อดูแล้วนะะเมื่อออกไปเป็นคารวาสก็ให้เป็นคารวาสที่ดีเพราะเราได้ผ่านการศึกษามาแล้วเป็นคนสุขแล้วนะที่นี่นะแต่อก่อนเป็นคนดิบไอ้ข้าวายังไม่ได้บวชแต่บวชเข้ามาแล้วเป็นคนสุขแล้วที่นะี่แต่อย่าให้มันเละท่านนะที่นี่พระออกไปถ้าทําไม่ดีเนะี่ยเป็นคนสุกสุกจนเละใช่ไม่ได้นะนะนะนะนะนั่นนะรับพรเทพอนโมธนาให้พร